1> 6 1จุดหนึ่งหนึ่งถ้าจะละ ก, กิเลสได้ต้องเห็นโทษของมันวงเล็บเปิดสิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าอห้าสิบเอ็ดจุดจุดนาทีสี่สิบเจ็ดวงเล็บปิดดูมากๆนะดูไปเรื่อยๆทีแรกเราก็จะสู้กิเลสเบาๆได้กิเลสแรงนะักก็ยังถูกครอบงำอยู่ต่อไปเราเห็นนะพอกิเลสเกิดขึ้นทีใดกิเลสครอบงำจิตทีใดนะความทุกข์เกิดทุกทีเลยกิเลสนาความทุกข์มาให้ ใจไม่ค่อยอยากยุ่งกับกิเลสแล้วเห็นแต่ทุกข์เคยมีคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศไปกับหลวงพ่อนั่นแหละตอนนั้นไปไหนไปด้วยกันไปถามหลวงปู่เทศว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรผมจะละกามได้แหนะจะเอาพระอนาคาแล้วจะละกามทำอย่างไรผมจะละกามได้ใจมันยังอะไรอววรอยู่หลวงปู่ได้ยินนะหลวงปู่อุทานเลยเอา้าวอะไรอวรมันก็ละไม่ได้สิใช่ไหม ถ้าเมื่อใดเห็นว่ากิเลสเกิดมาครอบงําจิตแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเนี่ยเห็นมันมีทุกข์มีโทษนะจิตถึงจะไม่เอาแต่ว่าระหว่างจิตจะไปเกลียดกิเลสเข้าอีกพอไม่เอาไว้ก็จะไปผลักมันเราไม่ดึงเอาไว้เราไม่ผลักมันปล่อยให้มันผ่านมาผ่านไปอย่าคล้อยตามอย่าต่อต้านคล้อยตามกิเลสก็ถูกมันหลอกเอาไปไปทํากรรมชั่วต่อต้านมันนะก็เหน็ดเหนื่อยให้รู้มันไปบางคนภาวนานะ เคยอ่านนิทานอิศบไหมคนรุ่นนี้มีไหมเรื่องต้นอ้อกับต้นใส่นะต้นไม้เล็กๆนะถูกพายุพัดไม่ล้มต้นไม้ใหญ่ๆถูกพายุพัดแล้วล้มเพราะจิตมันไปต้านลมจิตมันต้านกิเลสเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้านลมฉะนั้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นนะเราดูมันจะเย็นๆดูซิเธอจะอยู่นานแค่ไหนอย่าไปเกลียดมันนะถ้าเกลียดเมื่อใดต้านเมื่อนั้นแหละดูลงไปเล่นๆ จะเห็นเลยว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป <S <S เห็นไหมกิเลสสอนธรรมะเราแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปสอนธรรมะเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละแต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วสอนให้ทําอกุศล น, นะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตมีอกุศลในขณะนั้นแหละเกิดกุศลเรียบร้อยแล้วฉะนั้นบางคนเข้าใจผิดบอกว่าหลวงพ่อสอนให้มีอกุศลอันนั้นพูดตามใจกิเลสแล้วหลวงพ่อสอนให้รู้ว่าอากุศลมันเกิดขึ้นมา